ท่านที่เคยได้ผลจากการทรมานด้วยวิธีเผ็ดร้อนท่านได้จริงๆเป็นประจักษ์ใจคือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้นโดยมากเป็นจิตที่ผาดโผนประจํานิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่เหลาะแหละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยการทรมาน สถานที่ที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไรท่านยิงมุ่งหน้าไปสู่ที่นั้นลาฝึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงจริงแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ยอมขอจะได้เห็นความกลัวหายไปเพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวๆไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ท่านก็ฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัว ที่ซูร่ริของธรรมะไม่ไหวและสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้าหาญปรากฏขึ้นแทนที่อย่างประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิธีนั้นว่ามิได้เป็นโมคะแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาดไม่ถึงเสียอีกบางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ บ, บริเวณก็มี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 โดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกำลังแสดงตัวมีสองวิธีคือทาจิตให้อยู่กับบทธรรมะที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมทรงจิตออกไปคิดปรุงว่าเสือว่าสัตว์ใดๆทั้งสิน้นภาวนาอยู่กับธรรมะบทนั้นด้วยสติเป็นเรื่องควบคุม กับตายก็หมายพึ่งธรรมะบทที่กำลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นจิตเมื่อยอมตนลงวางพึ่งธรรมะจริงๆไม่คว้าโนนคว้า น, น, านี่ยอมสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยขณะที่จิตลงสู่ความสงบความกลัวหายไปทันทีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้เริ่มฝึกหัด ส่วนวิธีของผู้ที่จิตเป็นสมาธิมีหลักใจแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นยอมพิจารณาโดยอุบายปัญญาคือแยกดูทั้งความกลัวแยกดูทั้งสัตว์เสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของนากลัวออกเป็นชิ้นเป็นอันนักเป็นเขี้ยวเล็บหนังหัวหางกลางตัวตลอดทุกอวัยวะของเสือออกดูว่าเป็นของนากลัวอย่างไรบ้างจนเห็นชัดเจนด้วยปัญญา ความกลัวหายไปเองนี้เป็นวิธีของผู้ที่เคยดําเนินทางวิปัสสนามาแล้วยอมแก้ความกลัวได้ด้วยอุบายนี้ท่านที่อยู่ในป่าท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจโดยที่เสือก็ไม่ได้ทําอันตรายแก่ท่านเลย